มาถึงเรื่องราวเก่าๆอีกสักเรื่องท่านผู้ฟังเป็นเรื่องสมัยพุทธกาลเราก็ทราบกันว่าในสมัยพระพุทธองค์นะมีคนที่ทําความชั่วร้ายจนถูกธรณีสูบก็คือพระเทวทัตแต่ความจริงมีถึงห้าคนที่ถูกธรณีสูบสมัยพุทธกาลนี่นะทุกคนล้วนแต่ก่อกรรมทําเข็นมุ่งไร้พระพุทธเจ้าและสาวกของพระองค์ทั้งนั้นพระเทวทัต ที่ว่าถูกธรณีสูปเนี่ยเป็นพระเชษฐาหรือว่าพี่ชายของพระนางเยโสรธราพิมพาอ่าเป็นพี่เมียของพระพุทธเจ้าอ่ะแหละอ่าพุทธประวัติกล่าวว่าพระเทวทัตจี่จองล้างจองผลาญพระพุทธองค์มาแล้วหลายชาติแรกเริ่มเมื่อครั้งเทวทัตเกิดเป็นพ่อค้าพระพุทธองค์ก็เสวยพระชาติเป็นพ่อค้าเหมือนกัน ได้มีหญิงชาราเป็นผู้ดีตกยากนำถาดทองสมบัติเก่าที่ยังหลงเหลืออยู่ไปขายพระเทวทัตเพื่อจะหาเงินยังชีพแต่ด้วยนิสัยพ่อค้าที่คดโดยเละพระเทวทัตก็บอกว่าถาดนั้นไม่ใช่ทองแท้หรอกทองเหลืองตีราคาต่ำาๆแต่หญิงชารารู้ดีสมบัติเก่าเป็นของมีค่าก็ไม่ยอมขายให้พอดีพระพุทธองค์สเสวยชาติเป็นพ่อค้าสเสด็จผ่านมา หญิงชราก็นําถาดทองมาเสนอขายให้พระพุทธองค์เห็นว่าเป็นถาดที่ทำด้วยทองแท้ก็ให้ราคาสมกับค่าของถาดหญิงชราก็ขายสมบัติชิ้นสุดท้ายให้พระพุทธองค์เรื่องนี้สร้างความโกรธแค้นให้กับพระเทวทัตมากเพราะถ้าไม่มีพระพุทธองค์หญิงชราก็จะต้องขายแก่ตัวเพราะความยากจนบีบบังคับพระเทวทัตก็กําำไยขึ้นมาหนึ่งกำมือแล้ววานออกไปพร้อมกับประกาศว่าจะขอจองล้างจองผานพระพุทธองค์ไปทุกชาติเท่าจํานวน เม็ดสายเม็ดละชาติจากนั้นพระเทวทัตก็เกิดมาติดตามจองเวรกับพระพุทธเจ้ามาหลายชาติชาติสุดท้ายก่อนที่จะมาเกิดเป็นพระเทวทัตจนถูกธรณีสูบก็มาเกิดเป็นชูชกในขณะที่พระพุทธองค์เสวยชาติเป็นพระเวสสันดรแล้วในชาติที่พระพุทธองค์ปราศรูเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี่พระเทวทัตก็มีจิตริษยาอาฆาตพระพุทธองค์มาตั้งแต่ยาวไวเมื่อพระพุทธองค์ทรงผนวชพระเทวทัตก็ออกบวชด้วย และเมื่อพระองค์ทรงพระพุทธองค์บรรลุพระโพธิญาณตรัสรู้พระเทวทัตก็สําเร็จโลกียา์ได้อบิญญาสามารถแปลงกายเหาะเหินเดินอากาศได้แม้จะสําเร็จถึงขั้นนี้แล้วพระเทวทัตก็ยังคงมุ่งประกอบการชั่วจองล้างจองผานพระพุทธเจ้าตลอดกล่าวหนึ่งก็ส่งนายขมังธนูให้แอบยิงพระพุทธเจ้าเพื่อตั้งตัวเป็นพระศาสดาเสเองเมื่อไม่สําเร็จก็ยุยงให้พระเจ้าอาชาติศัตรูที่เคยเลื่อมใสพระพุทธองค์ จนพระเจ้าอาชาติศัตรูในหลงผิดถึงขั้นปลงประชนบิดาของตนเองแล้วก็พระเทวทัตยุให้มอมเหล่าช้างนาราคิรีให้เมามันดุร้ายไปทำร้ายพระพุทธองค์แล้วก็ยุยงหมู่พระสงฆ์สาวกของพระพุทธองค์ว่าพระพุทธองค์ยังพัวพันกับกิเลสมัวหมองในพรมจรรย์ฉันพระกายอาหารดิบปรุงในเนื้อสัตว์ในขณะที่พระเทวทัตหันไปฉันมังสวิรัต แล้วก็โอวดว่ า, วามีปรมัจจันทร์ที่เหนือกวา่าความชั่วร้ายต่างๆที่พระเทวทัศ์สะสมมาหลายชาติบรรดาให้แผ่นดินลงโทษเพราะไม่อาจจะแบกความชั่วต่อไปได้แยกตัวออกแผ่นดินแยกสู่พระเทวทั์ลงขุมนรกอเวจีไม่ได้ผุดได้เกิดอีกต่อไปอนั่นเป็นคนแรกส่วนคนที่สองถูกทรณีสูบในพุทธการเหมือนกันก็คือสุ ป, ปะพุทธะซึ่งเป็น พระราชบิดาของพระเทวทัตและพระนางยาโสธราก็คือพ่อตาพระพุทธเจ้าแหละเมื่อรู้ว่าพระเทวทัตถูกทรณีสูบ พ, พระจองล้างจองผ่านพระพุทธองค์แทนที่สุปปาพุทธะจะสำนึกในบาปบุญคุณโทษกลับมีจิตโกรธแ้นอาฆาตโกรธแ้นเจ้าชายสิทธัตถะที่ทอดทิ้งทิดาของตนออกบวชก็นำอำมัดขราชบริพารไปนั่งดื่มสุราขวางทางที่พระพุทธองค์จะออกบิณฑบาตโปรสัต ทำให้พระพุทธองค์ไม่สามารถเสด็จดำเนินไปได้เพราะมีทางออกอยู่เพียงทางเดียวถึงกับต้องอดพระกยาหารไปหนึ่งวันเมื่อพระอานนทูลถามเึงความผิดของสุปะพุทธะที่กระทำอย่างนั้นพระพุทธองค์ซึ่งทรงทราบดายานก็ตรัสว่าดูก่อนอานนท์หลังจากนี้ไปได้เจ็ดวันสุปะพุทธะจะลงอเวจีตามเทวทัตไปเมื่อสุปะพุทธะทราบพุทธดำรัสก็เลยขึ้นไปประทับบนชั้นเจ็ดของปราสาสเพื่อไม่ให้นายทวัน ขัดขวางไว้ไม่ให้พระองค์ออกจากปราสาทในเจ็ดวั น, นสุปพุทธะประทับอยู่ในปราสาทชั้นเจ็จนถึงวันที่เจ็ดได้ยินเสียงมาแก้วซึ่งเป็นมาที่ทรงโปรดร้องเสียงก้องกลางวานันสุปพุทธะเป็นห่วงมาของตัวก็วิ่งลงมาเหล่านายทวานเห็นอย่างนั้นก็คิดว่าครบเจ็ดวันตามกำหนดแล้วก็เลยไม่ไม่มีผู้ใดขัดขวางพอสุปพุทธะก้าวพ้นปราสาทเหยียบพระบาทลงที่พื้น ธรณีก็เปิดออกสูบสุภพุทธะลงสู่ขุมนรกอเวจีนะตามพระเทวทัตซึ่งเป็นลูกชายไปบุคคลที่สามที่ถูกธรณีสูบคือนันธมนกนะไอ้เจ้าชายหนุ่มคนนี้แม้จะไม่ได้ทำต่อพระพุทธองค์โดยตรงแต่ก็ทำความผิดขั้นร้ายแรงต่อพระอระหันต์เหยื่อของนันธมนก็คือท่านอุบลว น, นาเทรีนะสตรีผู้มีโฉมงามเป็นที่หมายปองของผู้ชายที่พบเห็น ตั้งแต่พระราชาจนกระทั่งถึงเศรษฐีแต่ว่าท่านอุบลวนาเบือนายโลกีสุขต้องการสแสวงหาความสงบจำคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าก็ออกบวชเป็นภิกษุณีตั้งแต่อายุได้สิบกปีในที่สุดก็ได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์แม้ว่าท่านอุบลวนาเทรีจะก้าวไปอยู่ในโลกแห่งความสงบปราศจากกิเลสอะไรแล้วเจ้านันรมานพนี่ก็ยังขวัญใจโดยกิเลสตัณหาปรารถนาจะลิ้มรสวาดจากนางให้ได้ วันหนึ่งก็ไปแอบซุ่มอยู่ในป่าข้างกระท่อมที่ท่านอุบลวรรณจำพรรษาอยู่เมื่อเห็นว่าออกจากกระท่อมไปบินธบาตแล้วนันธรรมานพก็เข้าไปซ่อนตัวอยู่ใต้เตียงพอท่านอุบลวรากลับมานันธรรมานพก็เข้าปลุกปล้ำแม้ว่าท่านอุบลวรรณจะร้องให้คนช่วยก็ไม่มีใครได้ยินเพราะอยู่ในป่าเปลี่ววิเวกพระอรหันต์อุบลวนรรณเถรีก็กล่าวกับมันนันธรรมานพหวังจะเตือนสติให้เขาสํานึกในการกระทําบอกว่าอย่าทําอย่างนี้เลยความหายณนะ จะมาสู่ท่านนะนั้นธรรมานนบ ก, ก็ไม่ฟังปลุกปั้มท่านอุบลวนาจเจิงกระทั่งสําเร็จดังใจปรารถนาพอเขาเก้าวลงจากแคร่ธรณีก็เปิดอ้าสูบลงไปในขุมนรกอเวจีเพราะกรรมที่เขาก่อกับพระอาหารหันต์หญิงนั้นหนักหนาสาหัสนะักการที่ท่านอุบลวนาเถรีถูกทําอย่างนี้เป็นที่วิภาควิจารณของภิกษุภิกษุณีพุทธบริษัททั้งปวงว่าเมื่อท่านอุบลวนาได้รับการสัมผัสอย่างนี้ก็ย่อมจะ ฝืนความยินดีให้คล้อยตามไปด้วยยากพระพุทธองค์ตรัสบอกพุทธสาวกว่าพระอรหันต์นั้นเป็นเช่นเดียวกับไม้ผุไม่มีกิเลสแล้วไม่มีความยินดีในกิเลสเหมือนตุกตาที่ไม่มีความปรารถนาในการสัมผัสชั้นใดพระอรหันต์ก็เป็นอย่างนั้นนั่นเป็นรายที่สามรายที่สี่ที่ถูกโทรณีสูบนี่เป็นผู้หญิงเป็นผู้หญิงรายเดียวในห้ารายที่ถูกโทรณีสูบสมัยพุทธกาล ทำบาปทำกรรมต่อพระพุทธเจ้าโดยตรงนางคนนี้มีชื่อว่าจินจะมานวิกาหลงผิดไปรับอาสาจากพวกปริพาชกผู้เชื่อถือศรัทธาในนิกายหนึ่งเห็นว่ามีคนมาเคารพเชื่อถือในคำสอนของพร ะ, พ, ระพุทธเจ้ามากเกิดความลิสยาก็ว่าจ้างให้นางจินจะมานวิกาในแกล้งทําเป็นผู้หญิงมีคัน เอาไม้กลึงนูนไปผูกรัดไว้ที่หน้าท้องในเสื้อผ้าให้ดูเหมือนว่านางกำลังมีคันแล้วก็ไปเต้นไปร้องต่อหน้าพุทธองค์ในขณะที่กำลังเทศพระพุทธองค์กาลังแสดงธรรมนางจินจะมานวีกาก็เข้าวไปเต้นเรา่ราาบอกท่านสมณะโคดมจะมัวมานั่งเทศลอยหน้ า, น, านวลอยู่ทำไมทำให้ฉันมีท้องอย่างเงี้ยก็กลับไม่ดูแล อย่ามัวเทศโปรดศาสตร์อยู่เลยไปตัดฟืนไว้ชั้นดีกว่าเวลาคลอดลูกจะได้มาต้มน้ําจะได้ไม่ลําบากจะได้อยู่ไฟพระพุทธเจ้าได้ยินก็หยุดเทศก็กล่าวกับนางจินจะมานาวิกาด้วยท่าทีสงบบอกว่าดูก่อนพระกินีเรื่องที่เธอกล่าวนั้นคนอื่นก็ไม่รู้ด้วยหรอกมีเธอกับชั้นสองคนเท่านั้นน่ะที่รู้ว่าเรื่องจริงๆเนะี่ยมันเป็นยังไงเหล่าพุทธบริษัททั้งหลายที่ได้ฟังต่างก็สงสัย เพราะว่าพระพุทธองค์ไม่ได้ทรงปฏิเสธร้อนถึงพระอินทร์ต้องแปลงร่างเป็นหนูไปกัดเชือกที่รัดหน้าทองของนางจินจะมานวิกาขาดไม้ที่ทำให้นูนเหมือนกับคนทองก็หลุดออกมาท่ามกลางสายตาของชาวบ้านนางก็ตกใจวิ่งหนีไปแต่พอรับตาพระพุทธเจ้าธรณีก็สูบเอาลงขุมนรกอเวจีไปอีกรายหนึ่งนางจินจะมานวิกาผู้นี้เมื่อชาติก่อนก็เกิดเป็นนางอมิตรดาภรยาชูชก หรือว่าพระเจวทัตติจองเวนกับพระพุทธองค์มาหลายชาตินั่นแหละส่วนรายที่ห้าที่ถูกโทรณีสูบไม่ใช่มนุษย์เป็นยักษ์มีนามว่านันทยักษ์มีฤทธิเดชมากวันหนึ่งนันทยักษ์เหาะเอื้นเดินอากาศมากับเหมมาตายักษ์ผู้เป็นสหายผ่านมาถึงที่ภาษารีบุตรซึ่งเป็นสาวกของพระพุทธเจ้ากําลังเข้านิโรธสมาบัติอยู่ทําให้อากาศธาตุในบริเวณนั้นว่างเปล่ายักษ์สองสหายไม่สามารถจะเหาะผ่านไปได้ นันทยักษ์ผู้มีนิสยัยพันชาติก่อนก็ผูกอาคาตพยาบาทพระเถระไว้ทีหนึ่งแล้วก็ทําปาณาติบาตต่อภาษาลิบุตรโดยสันด า, านพันเหมาตายักษ์ก็ทัดทานแต่ว่านันทะยักษ์ไม่ฟังเหาะขึ้นกลางอากาศแล้วใช้กระบองซึ่งเป็นอาวุธประจําของตัวฟาดลงมาหมายเสียนภาษาลิบุตรความแรงของอิทธิฤทธิ์นันทยักษ์ทาให้ภูเขาระเนระนาดราบไปถึงร้อยลูกแต่ภาษาลิบุตรซึ่งยังอยู่ในสมาธิ ไม่เป็นอันตรายแต่ประการใดยิ่งทำให้นันทยักษ์เกิดความเร้าร้อนในอารมณ์ตะโกนกล้องไปทั่วทิศบอกว่ากูร้อนเว้ยกูร้อนทนันใดนั้นก็ตกลงมาจากอากาศพันแผ่นดินก็เปิดสูบเอานันทยักษ์ลงขุมนรกเอเวจีไปอีกรายเป็นรายที่ห้าในสมัยพุทธกาลมาถึงยุคนี้แผ่นดินอาจจะคลายความศักดิ์สิทธิ์ลงไม่ได้สูบใครลงในนร ก, อ, นรกเอเวจีอีก ไม่งั้นคนที่ทำลายศาสนาตัดเสียนพระพุทธรูปปล้นค่าพระสงฆ์คากุติหรือว่าพวกหลอกเงินพุทธบริษัทที่ศรัทธานะก็คงจะถูกทรณีสูบไปหมดหรือว่าทรณีเขาจะมีวิธีลงโทษให้ตกนรกหมกไม่วิธีอื่นวิธีไหนก็อาจจะเป็นได้นะนะไม่ใช้วิธีสูบอย่างแบบกักของเก่าแล้ว เมื่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประทับอยู่ที่พระวิหารชิตวันเมืองสวัสีได้ทรงเล่าถึงเรื่องมัตตกะพัดคือข้าวที่อุทิศให้คนตายมีความว่าในการนั้นคนทั้งหลายฆ่าแพะเป็นอันมากเพื่อจะเป็นอาหารสำหรับผู้ตายทําบุญให้ผู้ตายที่ล่วงลับไปแล้ว ภิกษุทั้งหลายเห็นคนเหล่านั้นได้กระทาอย่างนั้นก็กราบทูลพระศาสดาว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญบัดนี้มนุษย์ทั้งหลายทาสัตว์ทั้งหลายที่มีชีวิตเป็นอันมากให้ถึงความสิ้นชีวิตแล้วให้ชื่อว่ามัตตกะพัดบุญในการทำมัตตกะพัตนี้ย่อมมีอยู่หรือพระเจ้าข้าพระศาสดาตรัสว่าภิกษุทั้งหลายชื่อว่าความเจริญอะไรอะไรในการทาปานาติบาต แม้ที่เขากระทำด้วยคิดว่าเราจะทําบุญให้กับผู้ตายดังนี้ไม่มีแม้ในการก่อนบัณฑิตทั้งหลายนั่งในอากาศแสดงทํากล่าวโทษในการทําปาณาติบาณนี้ให้ชาวชมพูทวีปทั้งสิ้นละเว้นกรรมนั้นแต่ในบัดนี้การกระทํานั้นก็กลับปรากฏขึ้นอีกประว่าสัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นเป็นผู้ถูกพบชาติปกปิดไว้เสร็จแล้วพระองค์ก็ทรงนําเอาเรื่องในอดีตชาติมาทรงแสดงว่า ในอดีตการนานมาแล้วเมื่อสมัยพระเจ้าพรมทัตทรงครองราชสมบัติในพระนคพรพาราสีมีอาจารย์ที่สาปามโมกผู้สำเร็จวิชาคนหนึ่งคิดว่าเราจะให้มัตกะพัดก็คือทำบุญให้คนตายก็เลยให้จับแพะมาตัวหนึ่งแล้วกล่าวกับสิทธิ์ของตนว่าพ่อทั้งหลายเธอจงนำแพะตัวนี้ไปที่แม่น้ำเอาระเบียบ ด, ดอกไม้สวมคอเจอมิม ประดับประดาแล้วก็จงนํามาพวกสิทธิเหล่านั้นรับคําแล้วก็พาแพะตัวนั้นไปยังแม่น้ําให้อาบน้ําให้เจิมแล้วก็ประดับแล้วแล้วก็พักรอไว้ที่ฝั่งแม่น้ําส่วนแพะตัวนั้นก็ได้ระลึกถึงกรรมเก่าของตนได้จึงเกิดความดีใจว่าเราจะได้พ้นจากความทุกข์ในวันนี้แล้วก็หัวเราะลั่นอะเสร็จแล้วกลับคิดว่าพราหมณ์นี้ฆ่าเราแล้วก็จะต้องได้รับบาปก็เลยเกิดความการุณาต่อพราหมณ์นั้นก็ได้ร้องไห้ด้วยเสียงอันดัง ในขณะนั้นพวกสิทธ์ก็ถามแพ้นั้นว่าแพะผู้สหายเจ้าหัวเราะแล้วก็ร้องไห้ด้วยเสียงดังลั่นเพราะเหตุใดหนอเจ้าจึงหัวเราะและเหตุใดหนอเจ้าจึงร้องไห้แพะก็กล่าวว่าพวกท่านจงถามเหตุผลนี้กับเราในสำนักอาจารย์ของท่านเถอะพวกสิทธ์จึงพาแพะตัวนั้นไปหาอาจารย์ที่สาป่าโมกพร้อมทั้งแจ้งเหตุให้อาจารย์ทราบอาจารย์ฟังคำรายงานของสิทธ์แล้วก็ถามแพะบอกแพะผู้สหาย ทำไมนาะเจ้าจึงได้หัวเราะแล้วก็ร้องไห้ฝ่ายแพ้ก็หวนระลึกถึงกรรมเก่าที่ตัวทาไว้ในอดีตแล้วก็กล่าวกับพรามผู้เป็นอาจาร์ว่าท่านพรามเมื่อก่อนนี้ชาติก่อนนี้เราก็เป็นพรามผู้สาธยายมนเช่นเดียวกับท่านนี่แหละแล้วก็มีความคิดว่าจะทำมัตตกะพัดคือทำบุญให้ผู้ตายจึงได้ฆ่าแพะตัวหนึง่งอ่า เพราะเหตุที่เราฆ่าแพะตัวหนึ่งนั้นเราจึงต้องถูกเขาตัดศีรษะมาแล้วถึง499ชาติชาตินี้เป็นชาติที่500ของเราซึ่งเป็นการชดใช้กรรมชาติสุดท้ายเราจึงเกิดความดีใจว่าเราจะได้พ้นทุกข์อันยาวนานเห็นปานชานีด้วยเหตุนี้เราจึงหัวเราะแต่ที่เราร้องไห้นั้นก็เพราะด้วยความการุณาในตัวท่าน ท่านพราหมณ์ฆ่าเราแล้วท่านจะต้องได้รับความทุกข์ถูกตัดศรีรษะถึงห้าร้อยชาติเหมือนเราพราหมณ์ก็กล่าวว่าแพะผู้สหายเธออยากลัวเลยเราจะไม่ฆ่าเจ้าหรอกแพะก็ได้กล่าวกับพราหมณ์บอกว่าท่านพราหมณ์ท่านพูดอะไรเมื่อท่านจะฆ่าเราก็ตามหรือไม่ฆ่าก็ตามวันนี้เราก็ไม่อาจจะพ้นจากความตายไปได้โอ้ยแพะผู้สหายเจ้าอย่ากลัวเลย เราจะช่วยอารักขาคุ้มครองเจ้าปดุดเงาวตามตัวเลยทีเดียวท่านพราม์การอารักขาคุ้มครองของท่านมีประมาณน้อยส่วนบาปที่เราได้ทําแล้วนะ่ะมีกําลังมากกว่าพราหมณ์ก็เลยปล่อยแพะไปแล้วก็กล่าวว่าเราจะไม่ให้ใครๆได้ฆ่าแพะตัวนี้ไป น, นั่นค่ะก็เลยพาพวกสิษย์ช่วยอารักขาคุ้มครองแพะตามแพะไปฝ่ายแพะพอถูกปล่อยแล้วก็เชะเง้อคอเริ่มจะกินใบไม้ ซึ่งอาศัยแผ่นหินแห่งหนึ่งที่เกิดอยู่ในบริเวณนั้นในขณะทันใดนั้นที่แพะกําลังชะเง้อคอจะกินใบไม้นั่นเองฟ้าก็ผ่าลงมาที่แผ่นหินนั้นสะเก็ดหินชิ้นหนึ่งแตกกระเด็นมาตัดคอแพะซึ่งกําลังชะเง้ออยู่ให้ศีรษะขาดตกไปต่อหน้ามหาชนในการนั้นพระโูธิสัตว์บังเกิดเป็นรุกขเทวดาอยู่ในที่นั้นพระโูธิสัตว์นั้นเมื่อมหาชนเห็นอยู่นั้นนั่งสมาธิในอากาศาด้วยเทวานุภาพ เสร็จแล้วท่านก็บอกว่าถ้าสัตว์ทั้งหลายพึงรู้อย่างนี้ว่าการเกิดในภพชาติต่างๆเป็นทุกข์สัตว์จึงไม่ควรฆ่าสัตว์เพราะว่าผู้มีปกติฆ่าสัตว์ย่อมเศร้าโศกพระโพธิสัตว์ได้แสดงธรรมโดยเอาภัยในนรกมาขู่อย่างนี้แล้วมหาชนก็ฟังธรรมเทศนานั้นแล้วก็เกิดความกลัวภัยในนรกก็พากันงดเว้นจากการทำปานาติบาต ไฟพระโพธิสัตว์ครั้นแสดงธรรมและยังมหาชนให้ตั้งอยู่ในเบญจศีลแล้วก็ไปเกิดตามยถากรรมไฟมหาชนได้พากันนาเนินอยู่ในโอวาทของพระโพธิสัตว์มีการให้ทานรักษาศีลจนกระทั่งสิ้นชีพแล้วก็ไปบังเกิดในภพภูมิของเทพเทวดาในเมืองของเทพนครต่อไปคติที่ได้จากเรื่องนี้ให้แง่คิดสอนให้รู้ว่ารนำ เหนือสิ่งใดกรรมคือการกระทําที่แสดงออกมาทางกายวาจาและใจที่ประกอบด้วยเจตนาก็คือตั้งใจทําอันนี้ย่อมจะเป็นของเราดูดเงาวตามตัวทั้งฝ่ายกรรมดีแล้วก็กรรมชั่วได้โอกาสเมื่อไหรมันเป็นสนองเมื่อนั้นการถูกตัดศีสะห้าร้อยชาตินั้นเป็นเศษกรรมส่วนตัวหัวกรรมนั้นผู้ฆ่าสัตว์ย่อมจะต้องชดใช้ไปในนรกก่อนแล้วด้วยเศษกรรมจึงมาถูกตัดศีษะห้าร้อยชาติในขนาดที่มาเกิดในโลกมนุษย์ การฆ่าสัตว์จะมีบาปมากหรือน้อยย่อมจะขึ้นอยู่กับผู้ที่ถูกเราฆ่านั้นว่าเป็นผู้มีบุญคุณมากหรือน้อยใช้ความพยายามมากหรือน้อยถ้าฆ่าคนหรือสัตว์มีคุณบาปมันก็มากและเมื่อถึงคราวกรรมให้ผลใครๆก็ช่วยไม่ได้แม้ว่ามหาชนจะช่วยกันปกป้องแพะไม่ให้ถูกใครฆ่าแต่ธรรมชาติก็ย่อมจะต้องฆ่าแพะจนได้การไม่ทำกรรมชั่วนั่นแหละถึงจะถือว่าปลอดภัยจากเวรทั้งปวง เรื่องสัตว์พูดได้หรือไม่ได้เราไม่ควรจะใส่ใจนะครับเพราะว่าเป็นเพียงชาดกแต่ควรจะถือเอาสาระแล้วก็เหตุผลในเนื้อเรื่องเป็นสําคัญสิ่งใดเป็นคติและมีสาระจะออกมาจากปากคนหรือว่าสัตว์จากทานหรือบัณฑิตชายหรือหญิงเด็กหรือผู้ใหญ่ก็ย่อมจะมีค่าเท่ากันนะครับชาดกอีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องเหตุที่เกิดมาเตี้ยครับคือในอดีตการครั้งาศาสนาของพระประทุมมุตระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระเถระรูปหนึ่งเกิดในตระกูลมีโภคะมากนะครับเงินทองเยอะแยะในหังสวดีนครพอเจริญวัยแล้วก็ไปนั่งฟังธรรมในสำนักของพระพุทธเจ้าในขณะนั้นได้เห็นพระพุทธเจ้าทรงตั้ ง, งพระภิกษุรูปหนึ่งไว้ในตำแหน่งผู้เป็นเลิศในทางมีเสียงไพเราะก็เลยถวายมหาทานแด่ภิกษุสงฆ์ซึ่งมีพระพุทธเจ้าทรงเป็นประธานแล้วตั้งความปรารถนาอยู่ในตำแหน่งนั้นบ้าง จนมาในศาสนาของพระพุทธเจ้าพุทสะท่าองค์นี้ก็มาเกิดเป็นนกดูว่วมีขนปีกงดงามมากข้าบผลมะม่วงมาจากพระราชอุทยานขณะที่บินไปเห็นพระพุทธเจ้าก็เกิดความเลื่อมใสจึงคิดว่ดจาจะถวายพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าทรงทราบความคิดของนอกดูว่านั้นก็ทรงถือบาทรอรับอยู่นกดูว่าวก็ใส่มะม่วงสุกนั้นนกดูว่าวเห็นอย่างนั้นก็เกิดปิติตเลื่อมใสยอยู่ตลอดสัปดาห์ ด้วยบุญกรรมนั้นท่านจึงเป็นผู้มีเสียงไพเราะในศาสนาของพระพุทธเจ้าชื่อกะสะปะเมื่อมหาชนปรารถกันที่จะสร้างพระเจดีย์ว่าควรจะสร้างขนาดไหนเมื่อเขาว่าจะสร้างประมาณเจ็ดยอท่านก็ค้านว่าขนาดนั้นมันใหญ่เกินไปให้ลดลงมาอีกหน่อยเมื่อเขาว่าหกยอ์ท่านก็ยังแยง้งว่ายังสูงไปใหญ่ไปมหาชนก็ลดขนาดลงมาเรื่อยๆจากห้ายอมาสี่ยอด จนถึงสามโยน์จนกระทั่งเหลือสองโยต์พระเถระผู้เกิดเป็นหัวหน้าช่างในครั้งนั้นก็พูดบอกว่าเอาเถอะท่านผู้เจริญทั้งหลายเราควรจะทำให้ปฏิบัติสะดวกในอนาคตเถอะเมื่อกล่าวอย่างนี้เขาก็เอาเชือกวงแล้วก็หยุดที่คาวุธหนึ่งด้านหนึ่งซึ่ง เ, เป็นพจจระจดีมีทรงกลมแล้วก็เตี้ยแค่โยต์เดียวมหาชนก็เชื่อถือถ้อยคาเพราะว่าเขาเป็นช่าง ด้วยผลแห่งกรรมนั้นหัวหน้าช่างนี่ไปเกิดชาติไหนไหนก็เป็นคนต่ําเตี้ยทุกชาติแม้ในชาติปัจจุบันนี้ก็เป็นคนต่ําเตี้ยในสมัยพุทธกาลท่านได้มาเกิดในตระกูลมั่งมีร่ํารวยในกรุงมหาวาัฏถีมีชื่อว่าพัติยะแต่เป็นคนเตี้ยมากจึงปรากฏชื่อเขาเรียกกันลักกุลนั ก, กพัติยะท่านได้ไปฟังธรรมในสำนักของพระพุทธเจ้าก็เกิดสัทธาบวชบวชแล้วก็เป็นพระนักเทศ มีชื่อเสียงแสดงธรรมได้ไพเราะมากครั้งหนึ่งมีงานมหรสพ ป, ประจำปีมีหญิงงามเมืองคนหนึ่งกำลังไปเที่ยวงานกับพราหมณ์คนหนึ่งนางเห็นพระเถระนี่เป็นคนเตี้ยก็หัวเราะขึ้นจนพระเถระเห็นควันพระเถระก็ถือเอานิมิตในกระดูกฟันของหญิงนั้นแล้วก็ทำฌานให้เกิดขึ้นทำฌานนั้นให้เป็นบาท ะ, จะเจริญวิปัสนาได้สำเร็จเป็นพระอนาคามีนะท่านก็อยู่ด้วยกายคตาสติเป็นเนืองนิด ต่อมาท่านภาษารีบุตรให้โอวาตอยู่ท่านก็ดำรงอยู่ในพระอรหัตคาถาอันเป็นสุภาษิตของท่านมีอย่างนี้ครับชนเราใดถือรูปร่างเราเป็นประมาณและถือเสียงเราเป็นประมาณชนเหล่านั้นย่อมตกอยู่ในอำนาจของฉันทะราคะย่อมไม่รู้จักเราคนพานถูกกิเลสกั้นไว้โดยรอบด้านย่อมไม่รู้ภายในไม่เห็นภายนอกย่อมลอยไปตามเสียงโฆษณา ส่วนผู้ใดมีความเห็นไม่ถูกปิดกัน้นย่อมรู้ชัดทั้งภายในและเห็นแจ้งทั้งภายนอกผู้นั้นย่อมไม่ลอยไปตามเสียงโฆษณาสาระจากเรื่องนี้ให้แง่คิดสอนให้รู้ว่าท่านพัทธิยะในสมัยที่เกิดเป็นนกดูว่าวถวายผลมะม่วงสุกแก่พระพุทธเจ้าท่านจึงมีเสียงไพเราะในการแสดงธรรมส่วนที่ท่านต่ําเตี้ยนั้นก็เกิดมาจากในชาตินั้นท่านไปเป็นช่างเขาจะสร้างจะดีใหญ่สูง ท่านก็ลดขนาดเขาลงมาเรื่อยๆจนเหลือขนาดเล็กและเตี้ยนิดเดียวจากนั้นมาท่านก็เลยเกิดเป็นคนเตี้ยมาตลอดอมีข้อหน้าคิดว่าในการลดขนาดองค์เจดีย์นั้นท่านก็ไม่ได้ทาไปด้วยอากุศนเจตนาแต่ทาไปตามความคิดของช่างอาจจะเพื่อความสะดวกแก่งานสร้างและเป็นการบำรุงรักษาดูแลก็ได้แต่ถึงกระ น, นั้นมันก็ยังเป็นกรรมอยู่ดีละครับ